คติของโลกและธรรมเป็นมาอย่างนี้แม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็มีหัวหน้าซึ่งเป็นจุดรวมของบริษัทบริวารทั้งหลายทั้งมนุษย์และสัตว์ที่มีหัวหน้ามาโดยหลักธรรมชาติ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 เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้มีฮิริโอตตะปะภายในจิตใจแล้วย่อมเป็นโลกที่เดือดร้อนวุ่นวายมากที่สุดเฉพาะมนุษย์เราเจ้า ก, ก่อความเดือดร้อนให้แก่กันได้มากมายคิบหายผลปี้ยิ่งกว่าบรรดาสัตว์ทำอันตรายต่อกันซะ เพราะมนุษย์มีความเฉลียวฉลาดเครื่องม้เครื่องมือที่จะก่อความพินาศยิบหายแก่กันนั้นมีเหนือสัตว์ทั้งหลายไม่มีสัตว์ประเภทใดจะสู้มนุษย์ได้คือโลกพอพยุงกันมาได้นี่ก็เพราะ มีศาสนาธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นเครื่องให้ระลรกรู้ว่าบาปบุญคุณโทษพระเจ้าไปกันนรกสวรรค์ซึ่งล้วนแต่เป็นความจริงของจริงล้วนๆที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทรงนำมาประกาศสอนโลกไว้นี้โลกเพงพอได้ยึดเหนี่ยว คนชั่วกับคนดีจึงมีสักปนกันไปไม่มีแต่ชั่วไม่มีแต่ชนิดมืดหนาสาหดจนเกินไปจึงมีดีมีชั่วคอยรั้งหรือเหนี่ยรั้งกันไว้พอพยุงตัวมาได้เท่าที่เป็นอยู่เวลานี้สมัยใดที่คนมีความสนใจใครต่อาศาสนามากสมัยนั้นปานนั้น ความสงบลมเย็นแก่โลกก็มีมากไมไ้ใดที่โลกในหางเฮินจากสีธรรมในขณะเดียวกันก็ใกล้ชิดติดพันกับสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไัยเป็นไฟสมัยนั้นโลกก็เดือดร้อนวุ่นวายมากโดยลำดับตามไปตามจิตใจที่เสื่อมจากความดีทั้งหลายแล้วใกล้ชิดสนิทกับฝ่ายชั่วที่จะ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 จุนักกลับหรือกุฏันดรเหล่านี้เกี่ยวกับศาสนาที่มีเป็นมักคเป็นตอนขาดไปเป็นค้างเป็นขาวนั่นเองระยะสมัยใดที่ศาสนามีสมัยนั้นโลกก็มีความชุ่มเย็นเป็นสุขสมัยใดที่ไม่มีศาสนาเลยในหัวใจของสัตว์โลก สมัยนั้นเดือดร้อนมากที่สุดจนถึงกับจะไม่พูดได้ว่ามนุษย์และสัตว์แต่เป็นสัตว์โลกันต์สัตว์ไปด้วยกันทั้งนั้นเพราะทำลายกันแบบสิ่นหายป่นปี้ไม่มีชิ้นดีเพราะไม่มีที่ยับยัง้งไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวหรือล่างจิตใจเอาไว้โลกจึงเกิดความเดือดร้อนมากเนี่ยที่ศาสนา มีเป็นคู่เคียงกันมากับโรคก็เพื่อเป็นการเหนี่ยวล้างกันไว้ไม่รุนแรงจนเกินไปเช่นเดียวกับโรคที่ไม่มียาและหมอเลยกับโรคที่มียาและหมอคำกรับรักษาย่อมต่างกันอันนี้ย้อนเข้ามาถึงนับปฏิบัต เพราะอย่างยิ่งพระกรรมฐานเราเราสังเกตดูตัวเองก็รู้ว่าขณะใดระยะใดที่สติหรือปัญญาได้ขาดจากความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับอัตถกับธรรมสติปัญญานั้นจะถูกวิเลสนำไปใช้แล้วย้อนกลับมาทำลายตัวเองไปทุกระยะระยะไม่มีคำว่ายับยั้งช่างตัว จนกว่าว่าสติที่เป็นธรรมและปัญญาที่เป็นธรรมได้ปรากฏะติดแนบด้วยความระมัดระวังของตนเองนั่นแหละ้าสึกคือสิโสมมทั้งหลายหลันั้นจึงจะค่อยจางไปหรือยับยั้งตัวไม่สามารถทะลึ่งเข้ามาได้นี่เป็นคู่เทียงกันอย่างนี้เหมือนกันเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรม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 ปัญญาก็มีแต่ถูกมันเอาไป้ายกลับมาสังหารเราเสียคำที่ว่าสติปัญญานั้นก็ไม่ใช่เป็นสติปัญญาของธรรมกลายเป็นสมบัติของกิเลสไปแล้วก็มากลายเป็นข้าศิกต่อเราอีกทึนี้เหล่านี้จึงควรคำนึงให้มากนะปฏิบัติทั้งๆ ท, ที่มีศาสนาประจำใจตามความรู้สึกของตน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 ทั้งทงที่รู้ตัวนี่เพราะกำลังไม่พอในระยะที่มันโหมตัวเข้ามาทับผมเราเต็มที่นั้นกำลังของเรายังไม่เพียงพอรู้ก็รู้เสียใจก็เสียใจแต่เมื่อได้ฝึกฝนอบรมขึ้นตามดักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ ด้วยความอุตสาหพยายามและความขยันหมั่นเพียรมีความมุ่งมั่นเป็นเข็มทิศอันสำคัญแล้วแม้จะล้มลุกคลุกคานขนาดไหนมันก็ตั้งตัวขึ้นมาได้เทียเล็กละน้อยด้วยความภาพเพียรพยายามโค้งเราจนได้และตั้งตัวขึ้นมาได้สิ่งที่มีกำลังมากซึ่งเคยเป็นฆาสิทต่อเรามานั้นจะพอต่อสู้กัน ไปได้เป็นลาดับมีขาวแพ้คราวชนะแต่สู้ไม่ถอยในเรื่องวิริยะธรรมสุดท้ายเราก็ชนะไปโดยลําดับจนกระทั่งไม่มีข้าศึกตัวใดที่จะกล้าหารชานชันยออกมา ส, สู้ต่อหน้าต่อตา นอกจากหลบปลีกปีกตัวด้วยความฉลาดแหลมคมของมันเท่านั้นสุดท้ายก็ไม่พน้นสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมที่จะตามประหัสประหารจนแหลกแตกกระจายไปจากจิตใจจนได้กลายเป็นใจที่บริสุทธิพุโทโธขึ้นมาทั้งดวงซึ่งไม่เคยพบเคยเห็นมาแตกกับใดกันไหนตั้งแต่ ธรรมชาตินี้เป็นตัวผู้รู้มาถูกทิเดหุ่มห่อปิดบังมาจนกระทั่งถึงวันที่กิเดหจทางทลายลงไปจากใจได้ปรากฏเป็นความรู้ที่อจจจัจฉรย์ขึ้นมาเหนือสิ่งใดใดในโลกนี่เพราะอำนาจแห่งความเพียรเป็นชี่นี้ขอให้ทุกท่านยานอนใจในการประพฤติปฏิบัติมรรผลนิพพานซึ่งเป็นของประเสริฐเลิศยิ่งกว่าโลกทั้งหลาย ไม่ใช่เป็นของธรรมชาติที่จะควรชินชาต่อความมุ่งมั่นของพวกเราสิ่งที่เคยเป็นค่าศึกต่อเราเสียอีกที่เป็นสิ่งที่น่ารู้น่าเข้าใจน่าฉีดหลาบน่าหันหน้าต่อสู้กับมันโดยเห็นว่ามันเป็นค่าศึกเสียอีก โดนเข้าเมื่อไรไม่เคยชินชาหาว่าความทุกข์จะเป็นทุกข์ทางใดด้วยอารมณ์อันใดด้วยเรื่องราวอันใดซึ่งมีกิเลสเป็นเจ้าตัวการอยู่นั้นมันจะแผดจะเผาภายในจิตใจเช่นเดียวกับไฟไม่เคยมีความชินต่อผู้ใดและใครจะคินต่อฟืนต่อไฟไม่ได้ ที่เข้าตรงไหนเป็นโดดถึงถึงด้วยกันทางนั้นนี่ไฟคือกิเลสราคาตัญหาที่มันจี้เข้าตรงไหนก็เป็นเช่นนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเค็ดหลาบน่ากลัวน่าเห็นภัยอย่างยิ่งแต่ก็เป็นคนมายาของมันที่แนบเนียนมากยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกปิดบังเอาไวา้ไม่ให้เห็นโทษเห็นไผ่จึงพากันชินชาต่อความเป็นอยู่เหล่านี้ จนถึงกับลืมเนื้อดืมตัวไม่หาทางออกหรือหาทางออกบ้างชั่วขณะแล้วก็จมไปกับมันเสียนี้มีจำนวนมากท่านผู้ใดก็าตามถ้าลงได้เปิดมากของกิเลสขึ้นมาให้รู้โดยลำดับจนกระทั่งเปิดออกหมดจากจิตใจแล้วท่านผู้นั้นจะไม่ขนพองสยองกล้าว เห็นโทษของมันเหมือนกับฝ้าดินถล่มแล้วจะไม่มีเลยแม้แต่รายเดียวพระพุทธเจ้าก็ก็ดีพระสาวกอรหัตพระพุทธเจ้ทาทั้งหลายก็ดีพระสาวกอรหัตอรหันของพระพุทธเจ้าแต่ละโพล่งนั่นก็ดีเมื่อได้เปิดหน้าอกาความชั่วช้าหลัมกความสกปรกโสมมความแผดเทาความทุกข์ ทำสั์ให้ทุกทรมานข้องมันขึ้นมาแล้วเห็นอย่างชัดเจนแล้วถ้าจะเทียบกับโลกก็เรียกว่าตัวสะดุ้งเหมือนกับสะสลบสลายไปนั่นแหละเพราะความเห็นโทษถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสามารถประกาศสอนธรรมแต่บรรดาสัตว์ทั้งหลายได้อย่างองอาจกล้าหาญด้วย ทางความดีงามตลอดถึงทาอัจรรย์ทั้งหลายซึ่งเหนือสิ่งทั้งหลายที่กล่อมจัดโลกว่าดีว่าวิเศษวิโสให้ติด จ, จมอยู่นี้เป็นไหนไหนธรรมชาติเหล่านี้ที่เป็นที่ว่าสกรปรกโสหมมนั้นถ้าเป็นอาจมก็ยังไม่ทำพิษร้ายแก่ผู้ใดเอาไปทำปุ๋ยเป็นยังได้ แต่นี่มันเลยนั่นลงไปอีกจนถึงขยาดข้างคามกลัวสุดจิตจุดใจกลัวอย่างถึงใจเห็นโทษข อ, ของมันอย่างถึงใจฆ่าได้อย่างถึงธรรมนี่ที่ไม่เป็นเช่นนั้นก็เพราะถูกกล่อมไม่ให้รู้ไห้เห็นตาสัมผัสสัมพันธ์กับรูป ให้เกิดความรักความชังความเกลียดความโกรธอยู่ตลอดมาหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสความเยน็นร้อนอ่อนแข็งอยู่ตลอดเวลาซึ่งสิ่งเหล่านี้มีทั้งคุณทั้งโทษส่วนมากเป็นโทษทั้งนั้นถ้าเป็นฝ่ายกิเลสผลิดขึ้นมาให้เป็นให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธ เราก็ไม่เห็นเราก็ไม่เข็ดหลาบเพราะไม่สิมีสิ่งที่ให้เห็นไม่มีเครื่องมือที่จะให้เห็นไม่มีเครื่องมือที่จะให้เข็ดหลาบเราจริงไม่เข็ดหลาบจึงชินชาต่อสิ่งเหล่านี้ทั้งๆ ท, ที่จะแหวกว่าตัวของตัวออกจากสิ่งเหล่า น, นี้อยู่จัางเต็มหัวใจแต่ไม่ทราบว่าคนณมายาของมันเกลี้ยกล่อมพวกเราได้อย่างไร ถึงได้สนิทติดจมกัมมัน์อยู่ทั้งๆ ท, ที่เป็นนักปฏิบัติอยู่นี่แหละนักภาวนาอยู่นี่แหละมันละเอียดแหลมคมไม้ทีิเลสท่านทั้งหลายนำไปพินิจพิจารณาถนาดนั้นเทียวแหละไม่มีข้อสงสัยเราไม่ไม่สงสัยเพราะเป็นอย่างนั้นจริงๆทำเครื่องเครื่องเปิดให้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 เน่ยหน้าดูมันได้เลยเนีะประชาชนจงผิดเครื่องมือที่กล่าวเหล่านี้มีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาธรรมขึ้นพาณจิตใจของตนนี่แหละเครื่องมือเหล่านี้แหละเป็นเครื่องมือที่จะเปิดให้เห็นโทษเห็นไถยของสิ่งที่เคยฝังจมอยู่พาย จ, จิตใจโดยที่เจ้าตัวไม่รู้มาแต่การไในไหนให้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 ลงปัญญาธรรมได้อย่างเข้าไปตรงไหนการทางลงไปแห่งที่เล็ดกับการแสดงออกแห่งธรรมที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นประเสริฐอัจฉรย์ไปโดยลำดับํำดานั้นจะประกาศกังวานขึ้นตี่สันทิฏฐิกะจิตสันทิฏฐิกะทมพายในจิตใจของเราโดยไม่ต้องสงสัยจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้น ปราบกิเลสให้สิ้นซากไปหมดจากใจด้วยมหาสติมหาปัญญามหาวิริยะมหาอดุดมหาทนนี่แล้วธรรมที่เราไม่เคยรู้เคยเห็นจะประกาศกังวานขึ้นที่ดวงใจโดยไม่มีแน่สงสัยแม้แต่นิดถึงจะไม่เคยรู้เคยเห็นมาตั้งแต่กลับใจกันใดและเฉพาะชาติจุบันตั้งแต่วันเกิดมาก็ตาง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 วิสัยของกิเลตออกไปอำนาจของติเลตออกไปเอาวิสัยของธรรมอำนาจของธรรมสอดแทรกเข้าไปสอดแทรกเข้าไปสิ่งที่ทำควรจะรู้ทำต้องรู้ต้องเห็นเป็นลําดับลําดาจนกระตั้งเห็นสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดภายในจิตใจหายสงสัยไม่ต้องถามผู้ใดเฉพาะอย่างยิ่งความบริสุทธิ์แม้พระพุทธเจ้ากีพระองค์จะประทับอยู่ต่อหน้าต่อตาและสาวกอรหรันอรหันกี่หมู่กี่ล้าน นั่งอยู่ต่อหน้าต่อตาซึ่งเคยสงสัยและเคยทูลถามท่านหรืออยากทูลถามท่านจงหมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจแห่งสันติโกเป็นธรรมชาติติดตัดสิ๋อยู่ในตัวเองโดยสมบูร์แล้วดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงประกาศให้เราทั้งหลายได้ทราบว่าสันติโกสันติโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเอง ปจจตังเวิตะโวิยูคือท่านผู้รู้ทั้งหลายนั้นท่านรู้ด้วยตนเองทั้งนั้นเป็นสันติโกโด้วยตนเองทั้งนั้นถึงขั้นนี้แล้วไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ประกาศทำทั้งหลายลงในจุดนี้ทั้งหมดแล้วมอกให้เจ้าของเป็นผู้ตัดเองอาขาตาโลตถาคตาน พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นเพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นผู้ที่จะตัดสินตนเองด้วยสันธิิโกนั้นเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติจะตจึงทราบไปโดยลําดับลําบากและคําว่าสันธิิโกก็เป็นมาโดยลําดับจนกระทั่งถึงสันติิโกในวาระสุดท้ายสังหารชีวิตให้จิตหายไปพวงไปหมดแล้วหรือแต่ความมืดสุดล้วนนั่นแหะเป็นสังสันติกโกวาระสุดท้ายเต็มส่วนสมบูรณ์ นี่ทำอัศจรรย์ก็มีทั้งเหตุมีทั้งผลคือเครื่องมือที่จะให้ถึงทำอัศจรรย์และเครื่องมือที่เครื่องปราบสิ่งที่มืดมิดปิดตาของเราทั้งหลายไว้ก็มีพร้อม <Perfect. S 1> ตลอดถึงผลคือทำเป็นขั้นขั้นขึ้นไปจกนกระทั่งถึงทั้งถึงทำอันมิเสษสุดยอดก็ได้ประกาศเอาไวนะ้และจะเป็น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 ให้เป็นที่ถึงใจนำไปพุทธปฏิบัติอย่าเห็นกิเลสดีกว่าครูครูาอาจารย์ดีกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะกลายเป็นเทวทัตในร่างแห่งพระแห่งร่างนักปฏิบัติโดยไม่รู้สึกตัววันหนึ่งวันหนึ่งล่วงไปล่วงไปนั่นเป็นการเป็นเวลาสังขารร่างกาซึ่งเป็นเครื่องมือที่เราจะนำไปทำประโยชน์ก็ สึกหยอเรื่อยไปเช่นเดียวกันอ่อนลงทุกทีทุกทีแตส่สัทธาบรียสติสมาธิปัญญาของเราไม่เห็นมีความเจริญก้าวหน้าต่ตามมันเวลาแล้วก็แสดงว่าเรานี่นอนใจจนเกินไปหาความหวังไม่ได้ความหวังที่ตั้งไว้ไม่มีอะไรเป็นเครื่องสนอง ให้สมหมังด้วยการประพฤติปฏิบัติของตอนนี้เป็นเครื่องสนองจึ่งถูกต้องดีงามสมกับความมุ่งมั่นหรือมุ่งหมายที่เพมาประพฤติปฏิบัติเราจะมองที่ไหนมองอะไรให้ยิ่งกว่าศาสดาให้ยิ่งกว่าศาสนาธรรมสมกับว่าพุทธทางธรรมังสังขังสึ่งเจ้านางข้ามีที่ฝังแนบแน่นอยู่ภายในจิตใจแม้ชีวิตก็ถวายได้เพื่อพระธรรมนาทั้งสามมี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 มาแต่กับไหนกันนายทั้งโคดทั้งแก่ลูกเต่าหลานเหลียญขงมันมันตั้งบ้านตั้งเรือนอยู่ที่จิตใจของเรามานานเท่าไหร่มันไม่เคยสงบเมื่อวันนั้นจะครบกเกษียณวันนี้อายุจะครบแล้วจะได้ทังทลายลงไปจากที่จิตใจของสารโลกนี้ไม่เคยมีอืมเป็นอาการดิโกเช่นเดียวกันถ้าแก้ข่าถอบแทนมันไม่ได้มันเป็นอาการิโก้ทำก็เป็นอาการดิโกเหมือนกัน นี่หลักสําคัญจริงอยู่ที่ตรงนี้ไม่อยู่ที่การที่สมัยอยู่ที่อากาลิกาจิตอากาลิกธรรมอาการลิโกรรอาการลิโ ก, า ก, าโกไม่มีการไม่มี ส, มสถานที่ไม่มีเวลาทําสถิตได้ทุกเวลาทําแก้กิเลสได้ทุกระยะทุกเวลาทุกอิริยาบทของผู้นําไปปฏิบัติเช่นเดียวกับกิเลสมีอยู่หัวใจทุกเวลาทํางานเพื่อตัวเองอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน ขอให้นะักปฏิบัตินํานี้เข้าไปแก้ไปถอดไปถอนอย่าคิดถึงเรื่องความลําบากลําบนนั่นเป็นเรื่องของกิเลสสร้างขวากสร้างน้ําให้ก้าวขาไม่ออกก้าวจู่ความเพียนไม่ได้มันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลนับตั้งแต่ความทอดแท้แอ่อแความเล้วไหลความขี้เกียจขี้ค้านความน้อยอกน้อยใจนีแต่เรื่องของกิเลสมันสร้างขวากสร้างน้ําให้ก้าวไม่ออก ขึ้นชื่ว่าจะก้าวเข้าสู่ความดีงามแล้วมันจะสร้างความท้อใจไว้ให้หมดทุกด้านทุกทางปิดกั้นให้หาทางเดินไม่ได้นี่เป็นเรื่องของกิเลสเวลาประกอบความเพียรเข้ามีความทุกข์ความลําบากก็หาเรื่องสะอาดใจธรรมไปเสียกิเลสนั่นแหละพาหาเรื่องใส่ทําไม่ใช่ทําหาเรื่องใจธทําเองเป็นเรื่องของกิเลสแต่เราไม่ทราบผลอุบายที่มายาของมันทําความท้าเพียรได้รับความทุกข์ความลําบากซึ่งเกิดจากการ จีดความของกิเลสเราก็ว่าการมันเป็นธรรมลําบากไปเสียเราไม่คิดว่ากิเลสนี้พาให้ลาบากกิเลสนี้พาสร้างความสั้างนามกิเลสนี้เป็นตัวภัยต่อการดําเนินธรรมเราจึงไม่เห็นโทษของมันแล้วไม่ฝ่าฝืนมันถ้าลงได้เห็นโทษของมันแล้วความผ่าฝืนไม่ต้องบอกเราจะเห็นได้ในะคนคนเดียวนี่แหละเวลาเริ่มประกอบความภาคเกณฑ์ที่แรกสิ่งเหล่านี้หนาแน่นมากทีเดียว อันใดที่จะเป็นกำแพงปิดกัน้นมรรคผลนิพพานแล้วจะแน่นหนาอยู่เต็มหัวใจเราก้าวไม่ออกตาก็มองดูธรรมไม่เห็นแต่มองดูที่มองไปตามที่เดชสั่งให้มองนั้นไม่มีใครตาดียิ่งกว่าตาที่เดชพาให้มองหูก็เหมือนกันจังหวะตื่นกายและจะเป็นเครื่องมือของที่เดชแล้วคลั่งตัวส่วนจะเป็นเครื่องมือของธรรมนี้ มีแต่หลุดลุ่ยไปเรื่อยๆถูกกิเลสมันทับมันมันมันทุบมันไปอืทหันเริ่มแรกเป็นอะไรใน้ีเวลาพยายามถูไถไปโดยลําดับลำดาหลุดมือไปคว้ามาอีกหลุดมือลงไปคว้ามาอีกหลายครั้งหลายหนก็สับได้ฟันได้ขุดกิเลสได้โดยลําดับดดาํานาจนกระทั่งถึงเพียงไก่มีกําลังเต็มที่แล้วเราจะรู้ได้ชัดว่า สิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ที่ว่ามันปิดขั้นกั้แพงเจ็ดท่านสู้ไม่ัด้สู้ไม่ได้นั้ น, น, น, นจะจ้างไปจ้างไปจ้างไปจนกระทั่งพังทลายลงไปความขี้เกียจที่ข้านความท้อแท้อ่อนแอโลเลโรคเรกไม่มีเลยในหัวใจทั้งๆที่กิเลกก็ยังมีแต่เพราะอํานาจของธรรมเหนือกว่ามีกําลังมากกว่าที่นี้เป็นกําลังของธรรมทั้นั้นแต่ก่านเป็นกําลังของกิเลสกัดข้านต้านทานกีดขวางเอาไว้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 ขยันหมั่นเพียรมีแต่ความมุ่งมั่นมีแต่จะเอาให้หลุดให้พ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นสุดท้ายก็เอาให้หลุดพ้นไปจริงๆแล้วย้อนมาดูเรื่องสิ่งเหล่านี้เป็นแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวนไม่มีเรื่องทำแน่นิดหนึ่งแฝงอยู่เลยมีความเกลียดค้านเป็นต้นนี่ไม่มีเหลือนี้เราจึงต้องเห็นได้ชัดนะสิเพราะมันมีอยู่ในหัวใจดวงเดียวในขั้นนั้นเป็นอย่างนั้นในระยะนั้นเป็นอย่างนั้น แล้วเปลี่ยนสภาพมาด้วยอำนาจแห่งธรรมกำจัดมันลงไป เ, เรื่อยๆจนกระทั่งถึงทางทลาไปหมดจากจิตใจไม่มีเหลือเหลือแต่ทำล้วนๆแล้วไม่มีคำว่าขี้เกียจคำว่าอ่อนแอคำว่าทอดแท้เรื่อยลคำว่าอำนาจมาสนาน้อยไปไม่ได้ไม่มีอไปไมาได้ยังไงก็ไปให้เห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่หเห็นประจักษ์ตาอยู่นี่ไม่รู้ได้ยังไงสุดวิสัยยังไงรู้อยู่นี่ถ้าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยรู้ได้ยังไงรู้เห็นอยู่นี่นั่นนี่แหละ ระหว่างธรรมกับโลกหรือกับอะธรรมที่เป็นค่าศึกกันมันเป็นกันอย่างนี้ในหัวใจเราดวงนี้อยู่บนเวทีเวทีของจิเิศระหว่างธรรมกับวิเศตต่อสู้กันอยู่บนหัวใจไม่มีใครจะรบได้ถ้าไม่ใช่เป็นนักรบต่อการกันบนเวทีด้วยความภาคเพียร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 เพราสุขภาพลดลงทุกวันทุกวันเจ้าของรี้ตัวของเจ้าของม่าลดลงทุกวันแต่หมู่เพื่อนพอที่จะได้เรื่องได้ลาวมันก็ไม่ได้จะว่าอย่างไรมองดูตาก็ทิมเข้ามาฟังตั้งหูก็ทิมเข้ามากสัมผัสสัมพันธ์ตรงไหนทิมเข้ามามมทิมเข้ามามีแต่เรื่องหอกเรื่องแรมเรื่องลาวอันเป็นเรื่องของทิเด็ดทั้งมวลเรื่องธรรมที่อบรมสั่งสอน ให้ลาบพื้นภ า, ายในตาในหูมีอันเกิดจากผลของถูนั้นในปฏิบัติมามันไม่ค่อยมีและยิ่งมาหลังไหลเข้ามามากเท่าไรก็ยิ่งรับปนคนกันไปหมดไม่แม่ศพองค์ไงเป็นยังไงองค์ไงเปียยังไง้นจะเหลวแหลกแหวก แ, แนวไปตามกันหมดนะนอย่าว่าไม่บอกนี่บอกนอกจากไม่ไม่ดูเหมือนไม่ดู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 มาเกี่ยวข้องด้วยกันเสียงอุกทึกทึกโคมกิริยามตญาตเป็นตัวคึกตัวขอนองไปไม่ใช่เป็นกิริยาของผู้เห็นภัยต่อกิเรนตัาตนาอาสะวะไม่เห็นภัยต่อค่อาศึกเห็นคุณค่าต่อความเปลี่ยนพอที่จะนิ่มนวลในกิริยาทั้งหลายที่ได้เห็นและชื่นใจสําหรับผู้ได้เห็นได้ยินนีม่มันกลับเป็นเรื่องกงก้ามไปเขียนกิริยาอาการต่างๆ เป็นเรื่องคลึกตรองขนองเป็นเรื่องของยี่เใหญ่ดูไม่ได้เจ้าตัวไม่รู้เหมือนอัดอั้นตันใจอยากแสดงอยู่เท่านั้นเนี่ยเพราะได้โอกาสเมื่อไหร่เป็นถึงถึงออกมาทันทีผึ่งผึงออกมาทันทีให้เห็นต่อหน้าต่อตามันก็สลุดสังเวชเกดไม่ได้นะผู้ให้อวาตแนะนำสั่งสอนด้วยเจตน า, งงาที่หวังตองหมูตองเพื่อนอย่างเต็มหัวใจไม่มีอะไรบกกร่องเลย เืีองได้พูดนั่ให้สั่งเสมอแล้วครูวาจาย์ปรีเราปรีไม่ใช่เป็นของแน่นอนที่จะอยู่กันไปตลอดกับตลอดกันมันมีการพักท่าผันแปรกันไปได้ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละเวลาม า, าสาอโรมที่จะได้หลักได้เกณฑ์ไปประพฤติปฏิบัติต่อตัวเองก็ควรจับขมักขม้นเอาให้ได้บังคับให้ได้การบังคับก็คือบังคับกิเลสนั่นเองไม่ได้บังคับธรรม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 นี่ที่ที่ทำให้หนักอกหนักใจเราได้ย้อนหลังพิจณาไปถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ของท่านเช่นหลวงปู่มั่นเป็นต้นท่านอยู่แบบนักเราแบบธรรมนุนนวนพระก็ไม่าามากองมีแต่องค์เห็นัยด้วยกันอยู่ด้วยกันดังอย่างสะดวกสบายเวลาเท่าแก่ชรามาท่านก็มีการรับบ้าง ดูก็งามหูงามตาตลอดเวลาการพิสปฏิบัติากา ร, า ร, ารขบกันถ่ายกันการขบกันฉันการใช้สอยต่างๆไม่ฟุ่งเฟลอยไม่ล้นเหลือไม่ฟุ่งเฟ้อพูดให้มันเต็มปากก็คือนี่จะขาดขาดเ ข, ขินเขินเข้มเขียงทั้งนั้นทางด้านวัตถุเรียกว่าปัจจัยเครื่องอาศัยแต่ทางด้านธรรมะของท่านนะยู่ตรงเวลว่อเวลา เพื่อนฝูงลูกศิษย์ลูกหาของมือนกันเพราะฉั้นและต่างองค์ต่างไปเที่ยวหาสถานที่หลีกเล้นประกอบความภาคเพียรเงียบเหมือนไม่มีพระมาเห็นกันก็พูดซุกซุบซิบเล็กๆน้อยๆพูดกีับพูดถึงเรื่องอัดเรื่องทแล้วกิเลสจะเข้าไปทําลายได้ยังไงเมื่อเป็นเช่นนั้นก็มีแต่การฆ่ากิเลสโดยลำหดักลำหนา พวกเราเมันกงมันข้ามมีมากเท่าไหร่ยิ่งเลอะเลอะเถอเถออกจะแตกเจ้าของมันไม่รู้ไม่มีเจตนาหรือมีก็ไม่อาจทราบได้เมื่อบวกกันทอดแล้วมันก็นเละเลอะเถอเถอไปหมดเอามาผลนี่พานจากความเลอะเลอะเถอเถอได้ที่ไหนน่าคิดไหมิจตนาเจย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 แต่ยาำหยาบแต่แพ้ทำไมหมู่เพื่อนจับไม่ได้จับเอาปฏิบัติตามอันยำหยาบนี้ไม่ได้เหตแล้วเหตุใดอันละเอียดยิ่งนนี้จะสามารถจับได้ปฏิบัติได้ให้รู้ได้เห็นได้มันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันก็ย้อนเข้ามาตรงนี้อีกเนีลยเพราะส่วนหยาบเท่านี้มันก็ยังจับไม่ได้หลุดไม้หลุดมือหรือไม่สนใจพังเพราะจิตอํานาจของจิตมันเลื่อนมันลอยหาหลัเกเดินไม่ได้เหมือน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 การสอนก็สอนอยากให้รู้ให้เห็นอย่างเต็มหัวใจมีอะไรปฏิบัติมาอย่างไรทั้งเหตุหนักเบามากน้อยเพียงไรก็นํานมาแสดงให้หมู่เพื่อนฟังเพื่อเป็นคติเพื่อเป็นตัวอย่างไม่ใช่เพื่อความ อ, อู้นอุ่นอวดโพลทนาตัวเองว่าดียิเศษยิโสอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่มีอย่างนั้นแสดงมาแง่ใดก็เพื่อเป็นคติของหมู่เพื่อนเรื่องชักจูงสมกับว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ ที่เพื่อนฝูงได้เสกสรรปั้นยอขึ้นมาเราสอนด้วยความเต็มอกเต็มใจด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์อยากให้รู้ให้เห็นแต่เพราะอย่างยิ่งระหว่างกิเลสกับธรรมนี่ต่างกันอย่างไรเราอยากให้แยกธาตุทั้งสองธาตุนี้ออกดูด้วยสติปัญญาตัตาความเพียรอย่างแท้จริงเป็นยังไงพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมท่านตรัสรู้ยังไง ธรรมที่ท่านตรัสรู้นั้นเป็นธรรมประเภทใดยอยู่ที่ไหนเราอยากให้หัวใจของนักปฏิบัตินี้ได้ปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วทุกทุกประเภททุกอัตทุกธรรมแล้วได้รู้ได้เห็นอย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงรู้ทรงเห็นจะคัดค้านพระพุทธเจ้าได้ไหมคาที่ว่าธ ร, รรมอัศจรรย์โลกธรรมธรรมเหนือโลก ที่ทำแดนเกษมนิพพานนางปรมังสุขขังนั้นจะมีที่คัดค้านกันได้ไหมภายในหัวใจของเราที่ได้แสดงเป็นดวงขึ้นมาอย่างนั้นแล้วจะมีที่คัดค้านได้ที่ไหนถ้าไม่ยอมกราบที่อย่างเดียวเท่านั้นกราบอย่างราบชีวิตจิตใจมอบได้เลยเท่านั้นไม่ได้คํานึงถึงว่าพร ะ, ะพุทธเจ้าปรินิพพานไปกี่องค์แล้วและนานเท่าไหร่เลยเพราะความจริง ในหลักธรรมชาติที่ปรากฏเด่นอย่างเด่นชัดเต็มหัวใจเราอยู่นี้ประกาศกลังวานอยู่กับเราอยู่แล้วว่าเป็นข้อยืนยันเช่นเดียวกันนั้นแล้วเราจะสงสัยที่ไหนมันไม่มีทางที่จะสงสัยนี่แหละที่ว่าอากาลิโกอากาลิกระกจิตอากาลิกรรมเมื่อเข้าถึงใจแล้วเป็นอยู่ที่จิตรู้ที่จิตเรื่องเจเลตมันเป็นความลามกจบเปรตขนาดไหนขนาดไหน มันจะรู้กันมาโดยลำดับลำหนาเมื่อมีธรรมเครื่องสองเมื่อมีธรรมข้างรู้แต่ถ้าไม่มีไม่สนใจกับธรรมแล้วจมกันไปกับพี่เลียดนี่ตลอดกับตลอดกันก็เป็นอาการิีโกเช่นเดียวกันถ้าเราเลือกที่เรานักปฏิบัติให้อยู่กับกองทุกข์ให้กิเลสมันโยนลงเหวลงบ่อลงนำน้อนนรกอาวจีขนาดไหนมากกี่กับกี่กันเรายังจะพอใจอยู่เลยหรือเราไม่เชื่อหรือว่านรกไม่มี เราไม่เคยเกิดเคยตายนี่คือตัวนักตกนรกนี่คือตัวนักเกิดนักตายกี่ภพกี่ชาติให้ดูดวงจิต ด, ดวงนี้เป็นนักที่สุขด้วยกันทุกดวงใจไม่ว่าสัตว์ดิบชั้นไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าอินท ม, ม, มทั้งหลายมีแต่นักท่องเที่ยวนักเกิดจากเกิดตายนักตกนรกขึ้นสวรรค์วกไปเย็นมาอยู่นี่ ด้วยอำนาจของกิเลสมันควบคุมไว้ในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ให้พ้นประจักนี้ได้ด้วยกันทั้งนั้นไม่สงสัยนี่ไม่สงสัยดูใจดรงนี้แล้วกระจายไปหมดเลยพอได้ลากิเลสมาสังหารให้เรียบปุ๊บหมดแล้วไม่มีสะพานไม่มีเชือกที่มันจะลากเราไปลงที่นั่นที่นี่เชือคือเชือกคือเชื้ออวิชานั่นเอง ตัวพาให้เกิดล่ะนี่นี่คือตัวพาให้เกิดตัวลากจัดให้เกิดที่นั่นที่นี่คืออวิชชาเกิดชุงชุ่งตำๆำรุ่มรุมนอนๆอน น, อ น, นั้นได้จะวิบากกรรมดีชั่วที่แฝงไปกับอวิชชาอันพาให้เกิดนั้นนี่มันมีอยู่ด้วยกันทุ ก, กจิตทุกดวงของสัตว์ของบุคคลไม่สงสัยนี่แหละพาให้เกิดให้ตายนลยแล้วเรายังสงสัยอะไรอีกรอเราไม่เคยเกิดเกิดตายไม่ไม่เคยดวนบา ดนบุญกุศลและตลอดถึง ต, ต, ตนกนรกตะวีกีและสงสัยที่ไหนสิ่งอันนี้เป็นของมีอยู่อย่างตายตัวไม่มีอะไรที่จะมาลบล้างอันคําว่านรกก็มีสวรรค์ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีมันเป็นกลนุบายของกิเลสมันลบล้างต่างหากนี่ฟังนะว่กิเลตัวหลอกลวงไม่มีใครเกินกิเลสหาความจริงไม่นด้ก็คือกิเลสเป็นผู้เสษสรรปันเราเังหลอกสักโลกมาโดยลําดับลําบากจนกว่าจะมีธรรมเป็น เรื่องแกล้งกลนมั น, นซองเข้าไปสู่ดูความจริงแล้วก็หมดความเชื่อความโนสายต่อมันแล้วยังเห็นมันเป็นข้าติด ต, ตัวตนเองอีก ด, ด้วยอำนาจแห่งแสงสว่างแห่งธรรมที่ซองเข้าไปถึงจนกระทั่งถึงพังทะลายตัวของมันออกหมดแล้วอะไรมีที่ไหนทำไมจะไม่เห็นจริงมีที่เด็ดอย่างเดียวเท่านั้นปิดบังหัวใจไว้ที่ไม่เห็นเราสงสัยอะไรเกิดมากี่พบกี่ชาตินับได้เมื่ อ, อไหร่จิตแต่ ล, ละดวงแล้วดวงนี้นับไม่ได้นะ ขี่กับกี่กันเป็นมาแล้วและยังจะเป็นไปอีกทานองที่เป็นมนันเป็นอย่างมนุษย์นี่ก็ข้อทำเนา่าจมจากมนุษย์นี่ลงไปนั่นสิเราแน่ใจได้เมื่อไหร่เพราะกิเลสมันพาคนให้ พ, พ้นทุกข์เมื่อไหร่มันจะลากคนลงในกองทุกข์ทั้งนั้นเรายังจะนอนใจเชื่อกิเลสโดยไม่ยอมรู้สุกตัวอยู่เลยมันควรจะพิจารณาให้มากจะพอนักปฏิบัติของเราเอา้อยเห็นสิ โทษขงเหลียดมีเต็มหัวใจทำไมทำก็ควรจะมีได้เต็มหัวใจเช่เดียวกันเพื่อจะได้ดูคิเลสหน้าของคิเลสกับทำนี่ต่างกันอย่างไรบ้างแล้วโทษกับคุณโทษของมันกับคุณของทำนี่ต่างกันอย่างไรบ้างมันควรจะเห็นถ้าผู้ปฏิบัติไม่เห็นไม่มีใครจะเห็นแหละอ่านก็อ่านไปนติดําหนักตำดานับถือศาสนาก็นับถือไปอย่างนั้นถ้าลงไม่สนใจแก่คิเลส ไ, ไม่ได้ขึ้นดู มันไม่ได้กลัวคนอ่านคนนับถือศาสนาแล้วคนเรียนตำหลักคนรามามากมันกลัวทั้งจากคนปฏิบัติเพื่อจะกำจัดมันเท่านั้นท่านพี่เรียกว่าปฏิบัติปริญาตปฏิบตัติปฏิเวทนี่ผู้ที่จะทำลายกิเลสก็คือผู้ปริญาตเรียนเพื่อปฏิบตัติปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งนี่นี่กิเลสกลัวตรงนี้กิเลสไม่ได้กลัวนอกจากนี้ไปเลยทั้นขอให้ทุ ก, ท, กท่านตั้งใจต่อพลิศปฏิบัติอย่าได้รอแหละโยกโยกคอนคอน อก แ, กแต่แล้วนผมพฤติภาสอยู่ภาสไปาสมาวิปฏิบัติงให้รู้สึกเหนื่อยนอลอะล่ะพ อ, อยัง่ย